อิติปิโสภาคาวาอรหังสัมมาโนวิจจาจารนาสัมปันโนสุขโตกาวิถุอนุทโรโปุริสดามสารธิสัตเทวมนุสานังพุทธ พระคาวาติสวากาโตพระคาวตาธรมโมสันติอาคาเลโกเข้าเรี่าาาายง ไ, ง, ไงไม่เขา้าเลยเสียงไม่เข้าเลยปัจจางเวทิตาโมวินอยหิต สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตโคยาญาปาติปันโนภาคาวะโตวากสังโฆสามีจิปาิปันโนสาวกสังโฆ ญาติทางจัตตาริปุริสยุการสาภคาวตัวสาวกสังโฆอหุเนโยปาหูเนโยทาคิเนโยอันแริการณิโยอนุตตรังปุญญา โลกาสาธีต่อไปเราจะตั้งใจนะในกรณีแห่งการที่เราได้มาสถานที่ตรงนี้ได้มาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านะแดนยมะกับปฏิหารพระบรมศาสดาทรงมีความชำนาญในปฏิหารสามประการนะคืออิทธิปฏิหารการแสดงฤทธ อาเทศนาปฏิหารก็คือการกําหนดรู้จิตใจของสัตว์อนุสาสนีปฏิหารก็หมายความว่าพระธรรมคำสอนที่มีความเป็นอัศจรรย์นะในปฏิหารเนี่ยพระบรมศาสดาทรงแสดงได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อจะทรงอนุเคราะห์ประชาชนก็แสดงธรรมที่ท่านใช้คําว่าอิทธังอิทธิปฏิหาริยังอิทธิวิธีก็คือว่าฤทธ ปฏิหารเนี่ยอิทธิวิธีนั้นเป็นโดยในเป็นต้นบอกว่าคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้หลายคนทำให้เป็นคนเดียวเป็นต้นก็ได้นะจะเหาะไปยังไงก็ได้เป็นต้นแล้วเนี้ ย, ยจะแสดงปฏิหารอย่างหลากหลายได้อย่างมากมายส่วนอาเทศนาเนี่ยปฏิหารียังเนี่ยก็หมายกัน ร, รู้ความเป็นไปของจิตของคนอื่นแล้วก็บอกว่าชื่อว่าอาเทศนาปฏิหาร พระพรมศาสดาสามารถที่จะรู้ความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างอย่างมากมายในขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมกำหนดรู้ใจของสัตว์ได้เนี่ยนะชื่อว่าอาเทศนาส่วนอนุสาสนีปฏิหาริยานี่ก็คือว่าได้แก่อนุสาสนีปฏิหารความรู้ความประพฤติและก็ความน้อมใจเชื่อของบุคคลนั้ น, น, น ก็หมายความว่ารู้จักอัธยาศัยว่าท่านผู้นี้มีกายกรรมยังไงวจีกรรมยังไงมโนกรรมอย่างไรและอัธยาศัยของสัตว์นั้นเป็นอย่างไรในภาษาสดาก็ทรงรู้ได้นะีแล้วก็กล่าวสอนตามสมควรแก่อัธยาศัยของสัตว์เช่นสัตว์นี้เป็นผู้มากไปด้วยศรัทธามากไปด้วยวิริยามากไปด้วยสติสมาธิและปัญญาเนี่ยปฏิหารทั้งสาประการเนี่ยภาษาสดานั้นทรงทําปฏิหารให้เป็นไป ในปฏิหารเหล่านั้นพระโมคคัลลานะเทระได้ประพฤตินอนุสาสนีปฏิหารด้วยอิทธิปฏิหารนีก็หมายความบอกว่าพระโมคคัลลานะเวลาท่านทรงจกแสดงธรรมท่านก็จะแสดงอิทธิปฏิหารแสดงอาเทศนาปฏิหาร้วยการที่จริงท่านชํานาญสองส่ว น, นในส่วนที่บอกว่าประพฤตินอนุสาสนีปฏิหารแปลว่า คำสอนที่ท่านพระโมคคัลลานะท่านทรงแสดงเนี่ยอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์ตามพระธรรมของพระศาสดาชัดในขณะเดียวกันท่านก็แสดงฤทธิ์ไปด้วยเนี่ยส่วนท่านภาษารีบุตรเนี่ยประพฤติอนุสาสนีปฏิหารด้วยอาเทศนาปฏิหารก็หมายความว่าถ้าภาษารีบุตรเนี่ยท่านจะประพฤติในอนุสาสนีปฏิหารก็หมายความว่าแสดงธรรมไปก็กําหนดรู้ใจของสัตว์โลก ข, ของสัตว์อื่นไปด้วยเนี่ยนะภาษารีบุตรจักชนานาญมาก ก็นในอนุสาสนีปฏิหารก็ได้แก่พระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสตราทรงประกาศแล้วพระผู้เมียภาคเจ้านั้นเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากในอิทธิปฏิหาราเทศนาปฏิหารและก็นุสาสนีปฏิหารทั้งสาประการนี้แหละทีนี้ในบรรดาปฏิหารทั้งสาประการนั้นภาษาวกทั้งหลายย่อมแสดงฤทธิ์รู้จิตของบุคคลอื่นและแสดงทำได้โดยประมาณของตนคือตามอัธยาศัยของตนเนะ แต่ไม่สามารถรู้อัธยาศัยกิเลสที่นอนเนื่องด้วยความประพฤติและความน้อมใจเชื่อของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็กล่าวสอนก็แปลว่าอะไรสาวกของพระบรมศาสดานั้นไม่สามารถกําหนดอนุสัยกิเลสได้ว่าการบราคาอนุสัยปฏิคาอนุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยเป็นต้นวิจิกิชานุสัยจนถึงอวิชานุสัยคือไม่สามารถที่จะกําหนดไปรู้อัธยาศัยของสัตว์ได้ขนาดลึกซึ้งละเอียด ก็ประมาณกําลังของตนน่ยได้พระศาสดาจึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่พระศาสดานั้นทราบอาสยะอาสยะเนี่ยก็คือว่าแล้วก็อนุสัยของสัตว์ว่าสัตว์เหล่านี้มีอนุสัยอย่างไรเช่นมีการมาราคาอนุสัยมากปฏิคาอนุสัยมากมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงมากเป็นอัธยาศัยเนี่ยทราบจริตด้วยท่านบุญนี้เป็นราคาจริตเป็นโทสะจริตเป็นโมหะจริตเป็นพุท ธ, ธิจริตเป็นวิตกจริตเป็นศรัทธาจริต พระศาสดาจักทราบจริตของเราท่านทั้งหลายอย่างละเอียดละออเลยเจ้านั้นพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดานั้นจะวางหรือจะในธรรมนองที่พระองค์จะพระราชทานให้เราเนี่ยเนีเหมาะมากธรรมมรดกที่พระศา ส, าสดาจะวางไว้ไว้บนกระแสจิตใจของสัตว์แต่ละจําพวกแต่ละบุคคลเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่มานะที่เนี่ย กี่แดนยมะกะปฏิหารที่ภาษาสดาสแดาส ด, สแดงภาษาสดาสแสดงทั้งฤทธิแสดงทั้งอเทศนาแสดงทั้งอนุสาสนีมีความอัศจรริ์สิทธ์พลึกมากสัตว์ทั้งหลายจึงปรารถนาที่จะมาฟังธรรมณสถานที่ตรงนี้กันอย่างมากมายเดินทางกันมาสามเดือน4เดือนจากกรุงราชครื้ยังมาถึงนี้ได้ยอมก็ลองคิดดูที่จากราชครื้มาถึงนี้ไกลขนาดไหนใช่ไหมก็โยมมาลงกันที่แรกนะที่ มาลงที่กันกตาจากกันตามาปัตนานั่งรถจากปัตนามาเกือบสามยวโมงอยู่มไหมมาที่ราชคฤห์โฮเทลอะ่ะตรงนั้นน่ะขึ้นไปที่ภูเขาคิชกูที่อาจารย์มีชายจันเจียระนําไปอาจารย์มัมมดอนําไปกันนี่ขึ้นเขาคิชกูแล้วก็ชีวากาอัมพวันวัดเวรวันประชาชนหนะ้าที่นั้นเน่ยเดินทางรอนแรมกันมาหนะ้าที่เนี้ยพักค้างแรมกันเต็มหมดในบริเวณเนี่ ย, นยในพื้นที่ระยะยี่สิบวยญญาเต็มไม่หมด แปลมารอฟังพระบรมศาสดาจะเทศนาอิทธิปฏิหารอาเทศนาแล้วก็อนุสาสนีปฏิหารเมื่อเทศนาหนะ้าที่ตรงนี้เบ็ดเสร็จพระศาสดาก็อนุเสดเดาดึงเลยนี่ภาษาที่หกฉะนั้นที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ที่สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมกัน200ล้านที่ตรงนี้เนี่ยนะเขารอพระศาสดากันตอนที่ไปจาาํารรษาเขก็รออยู่ตรงเนี้ย เข็มเนืองแน่นไปหมดเลยเพราะปรม ศ, รรศาสร์สานนั้นทราบราคะจริตโทสาาจริตโมหะพุทธิเป็นต้นแล้วก็ทราบอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบหมูสัตว์ผู้มีกิเลสทุรีน้อยในดวงตาจากักษุผู้มีกิเลสทุรีมากในดวงตาจากักษุมีอินทรีย์แก่ข้ามีอินทรีย์อ่อนเน αι. ก็หมายความว่ามีศรัทธามากมีวิริยะสติสมาธิปัญญาอันไหนมากน้อยรู้รู้อาการดีรู้อาการซามกับกลุ่มอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายก็สอนให้รู้แจ้งได้โดยยากในภาษาสดากําหนดรู้ได้หมดเลยอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นอะไรจะเห็นความที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะรู้แจ้งได้ยากหรือได้ง่ายเนี่ยต่างกันออกไปใช่ไหม ตรงนี้อะถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอัตยาสัยของเราเนี่ยบางครั้งเราเป็นกลุ่มที่สอนนี่รู้แจ้งได้ง่ายบางครั้งก็รู้แจ้งได้ยากแต่ที่แน่ๆที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่สอนให้รู้แจ้งได้ยากเรายังไม่ได้ตัดสรุ้สัจจะสักข้อเลยความจริงคือทุกขสัจจะยังไม่ปรากฏในใจสมุทัยสัจจะทที่ควรละควรหานก็ยังไม่ชัดยังไม่ชัดเลยเรายังวิปริตกับทุกวิปริตต่อสมุทัยอยู่เนะ คำว่าวิปริตต่อทุกวิปริตต่อสมุทยัยก็ไปบ้างคราวเราไปเจริญสมุทยัยไปทําราคาให้นอนเนื่องในกระแสของความคิดเนี่ยสิเห็นทุกขสัจจะแล้วก็กําหนัดขัดเคืองแล้วก็ลุ่มหลงเห็นตาหูจมูกลิ่นกายใจเรา ย, ยัางวิปริตเลยเห็นไหมเราไม่สามารถจะกําหนดรอบรู้ได้วันนี้นะนี่เป็นรู ป, ปรขันนี่เป็นเวทนาสัญญาสังขารเวญญาณี่เป็นตาหูจมูกเล่นกายใจนี่เป็นวิบากของกุศลนี่เป็นวิบากของอกุศลนี่เป็นนี่ท่านพุทธิ์กำลังทํากรรมดีกรรม ไม่ดีทั้งหลายกําลังทําบาปอกุศลและทำมลามกหรือกำลังทํากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่ผุดพองเนี่ยแยกไม่ออกกําหนดไม่ได้หลงลืมสติเพื่อเือสติกําหนดสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระอยู่เรื่อยเลย ไม่มีสาระของความงามแล้วก็บอกว่างามไม่มีสาระของความสุข <interdisciplinary. S 1> แล้วก็บอกว่าสุขไม่มีสาระของความเที่ยงแล้วก็บอกว่าเที่ยงไม่มีสาระของความเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็บอกเป็นอัตตาเป็นตัวตนไม่ใช่สาระเป็นเราเป็นของเราแนละ้วก็ไปบอกว่เาเป็นของเราเนะเอเป็นเราเป็นของเราเป็นอย่างเงี้ยอมเนี่ยพวกเราเป็นอย่างนี้แหละพระองค์นะทราบในขณะที่พระบระมาศสสาสดาทรงทราบในลักษณะก็สอนนะ ทราบสอนให้รู้ได้ผู้ที่สอนรู้ไม่ได้พระศ า, าสดาก็กําหนดแยกแยะว่าท่านผู้นี้เป็นอุคติตัญญูวิปจิตันยูเนยนยะบัฏาปรมานี่นะพระองค์แยกแยะละเอียดละออเลยในขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมที่เป็นทีนี้ในขณะที่พระศาสดาแ ส, สดงอยู่นะเนี่ยทรงเนรมิตเดินจงกรมบนอากาศนะกว้างหมื่นจักรวาลเนี่ยก็หมายความว่าพระองค์นี่นะ ในมื่นจักราวาลพระองค์ทําสถานที่จงกอมาสัตว์ทั้งหลายตื่นตาตื่นใจกันทั้งจักราวาลในชาติเขตของท่านเนี่ยตอนนี้พระองค์ต้องการทําแล้วทาชาติเขตของท่านให้ให้เห็นความอัศจรรย์ของการตรัสรู้ดีของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจนะว่าพระศ า, าสดาไม่ใช่ต้องการแสดงอวดอนะ้างแต่ต้องการแสดงให้สัตว์ทั้งหลายว่ามีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาเชื่อมั่นว่านีาน่พระศ า, าสดาเป็นอย่างนี้ ที่ได้สถานะอย่างนี้มาก็แปลว่าได้มาด้วยบุญนะมาด้วยได้บา ร, รมีทั้งหลายที่สั่งสมมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วเนี่ยพระองค์ก็กำหนดหมื่นจักรวาลเสด็จจงกรมณที่นั้นแสดงยะมะกบปฏิหารทรงสแสดงปฏิหารไม่ทั่วไปกับภาษาวกทั้งหลายทรงทราบอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายโดยประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าทราบความเป็นไปแห่งจิตด้วยการ16ประการเนี่ย จิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเนืจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะมืดบอดก็รู้ว่าจิตมีโมหะมืดบอดจิตไม่ปราศจากโมหะก็รู้จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอย่างนี้นะสามารถจิตที่เป็นกามาวจรรู้จิตที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรเนีรู้ว่า จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสัอุตระจิตเป็นอนุตระทั้งหลายเนี่จิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นจิตเป็นจิตมีสมาธิตั้งมั่นหรือไม่มีสมาธิตั้งมั่นพระศาสดากําหนดรู้ใจได้หมดเลยเนียสัตว์จะมาจํานวนเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะคํานวณได้พระศาสดาสามารถกําหนดได้แป๊บเดียวสามารถรู้ว่าระจิตของสัตว์ทั้งหลายได้หมดเลยนี้คือพระศาสดาของเราเนี่ยพระศาสดาเป็นอย่างนี้ ถ้ารู้จักพระบรมศาสดานั้นที่ศัตว์โลกทั้งหลายจักไม่ศรัทธาภาษาสดาก็คือคนบ้ามีคนประเภทเดียวเท่านั้นถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่ศรัทธาภาษาสดานะถ้ารู้คุณของภาษาสดาก็คือคนบ้าเท่านั้นเองเราท่านทั้งหลายไม่ใช่คนบ้าใช่ไหมถ้าไม่ตั้งศรัทธาไว้ในภาษาสดาเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยคิดพลาดคิดผิดแล้วภาษาสดา ก, ก็ทรงแสดงปฏิหารทีนี้ในการแสดงปฏิหารอิทธิปฏิหารก็คือภิกษุ บางรูปในพระธรรมวินัยนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวแสดงให้ปรากฏได้แสดงให้หายไปก็ได้เป็นต้นใช้อำนาจทางกายจนถึงพรหมโลกก็ได้นี้เราเรียกว่าอิทธิปฏิหาริยะก็คือปฏิหารเองในปฏิหารสามอย่างพระศาสดาก็แสดงอิทธิปฏิหารและสาวกของพระเจ้าก็แสดงได้แต่ว่าไม่เท่าพระศาสดานี ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าอาเทศนาปฏิหารคืออะไรภิกษุบางรูปในว่าธรรมวินัยเนี่ยทายใจตามเหตุที่กำหนดได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นเช่นนี้บ้างจิตของท่านเป็นดังนี้บ้างเนี่ยกำหนดไล้ว่าตอนนี้ท่านคิดเรื่องอะไรอยู่ภิกษุบางรูปในว่าธรรมวินัยเนี่ยแต่ที่นั่งอยู่เนี่ยยังไม่มีนะ แต่ว่าถ้าขั้นที่ท่านได้ฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยท่านกําหนดใจได้รู้โดยใจเป็นต้นไดถึงแม้ภิกษุนั้นจะทายใจได้เป็นอันมากการทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนีก็แปลว่าสามารถกําหนดได้ชัดเจนเนี่ยภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยเนี่ยไม่ทายใจตามเหตุการณ์ที่กําหนดเลยแต่เมื่อได้ฟังเสียงของพวกมนุษย์ของอมนุษย์ของเทวดาก็ทายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็น เช่นี้จิตของท่านเป็นอย่างนี้บ้างจิตของท่านเป็นอย่างนี้บ้างบ้างกลุ่มเนี่ยไม่สามารถกําหนดใจไว้ก่อนเนะี่ยต้องฟังเสียงพูดก่อนพอฟังเสียงพูดป๊อบนี่สามารถรู้ได้เลยว่าท่านบุญเนี่ยใจมีพูดด้วยราคะหรือพูดด้วยโทสะหรือพูดด้วยโมหะหรือพูดด้วยมานะพูดด้วยทิฏฐิพูดด้วยวิจิกิจฉาหรือพูดด้วยมหากุศลที่เป็นไปกับโสมนัสเป็นไปกับอุเบกขาเป็นไปกับมีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบเนี่ยเป็นอสังขาริกหรือสังขาริกเนี่ย ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ย่อมทายใจตามเหตุการณ์ที่กําหนดเลยนะีไม่ได้ทายใจอย่างนั้นและหาได้ฟังเสียงของมนุษย์ไว้ของมนุษย์ของอมนุษย์ของเทวดาแล้วทายใจใหม่แต่เมื่อได้ฟังเสียงตรึกของท่านผู้ที่กําลังตรึกตองอยู่ก็ทายได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นประการนี้บางลองคิดดูบางพวกเนี่ยใครคิดอะไรเนี่ยนะขอให้ได้ตรึกก่อนเช่นกําลังตรึกกําลังดำํำบี อย่างโน้นอย่างนี้ก็สามารถกําหนดรู้ใจของสัตว์อย่างนั้นได้พิกตุบางรูปในพระธารมวินัยไม่ทายใจตามเหตุที่กําหนดเลยแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงตึกด้วยของมนุษย์เทวดาเหล่านั้นด้วยเ น, นืแต่เมื่อกําหนดใจผูกที่เข้าสมาธิซึ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ด้วยใจของตนแล้วเนี่ยก็แปลว่าถ้าใครได้ปัโหมชาญเนี่ยนืที่ละ ว, วิตกวิจาร์เป็นพร้อมเงินเป็นต้นเนื้อ เข้าทุติยฌานเป็นต้นอะนี่ลาวิโตวิจาร์เป็นต้นก็รู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้กําลังอยู่ในทุติยฌานเป็นต้นเหมือนกันเหมือนว่าอนุรุธาพระอนุรุ ธ, ธาเ น, นี่ยขนาดพระบรมศาสด า, าเข้าปฐมฌานท่านก็ทราบเมือเข้าทุติยฌานเข้าตติยฌานเข้าเจตุทะฌานเข้าอากาสาณัญญายาตนาวิญญาณัญญายาตนาอากินเนวะเข้าพระศาสดาเข้าสมาบัติไหนพระอนุรุธาก็ตามดูเนี่ย ยักลักษณะนี้ถือว่าชำนาญ น, น, นะนี่คือสาวกเนะี่ยพรศาสดาไม่ต้องพูดถึงว่าจะชํานาญสักปานใดอนุลักษณะอย่างนี้ก็การทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เรียกว่าอาเทสนาปริหารส่วนอนุสาสนีปฏิหารนั้นเน่ย น, นะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พร่ำสอนอย่างนี้ว่าพวกท่านจงตึกอย่างนี้นี่ยข้หมายก็สอนวิธีคิดเช่นพวกท่านจงตึกในเนคขมวิโตกอะไรเ ง, องี้ย พวกท่านต้งตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นเลยจงมนสิการอย่างนี้อย่ามนาศิการอย่างนั้นจงละสิ่งนี้มีราคาโทสะเป็นต้นเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยปฏิหารมีสาประการนี้แหละเนคขมาย่อมสําเร็จเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิเนคขมะย่อมกันจัดการมาฉันท์ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปฏิหารถามว่าเนคขม้าคือการออกจากกามเนี่ยนีที่เรียกว่าอิทธิเนี่ยเพราะอะไร เพราะกำจัดกามมาฉันท่าคือความกําหนัดความยิน ด, ดีความเพื่อเพลินและก็จึงเรียกปฏิหารด้วยชนเหล่าใดประกอบด้วยเนคขมะนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีใจมีจิตที่หมดจดมีความดําริไม่คุณมัวถ้าใครเนี่ยนะดำริดําริในเนคขมะดําริออกจากกามเนี่ยการดําริออกจากกามได้นะ่ะเป็นอิทธิที่นะถ้าดําริได้สําเร็จเนี่ยเป็นปฏิหารด้วย และคนที่กําลังดํ âm ฤในเนคขมมะนี่นะด âm ฤในการที่ว่าไม่กําหนัดไม่ยินดีไม่เพื่อเพลินทั้งหลายเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นการดําริที่มีจิตที่ไม่ขุนมัวด้วยราคาด้วยโทสะด้วยโมหะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกด âm ฤด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวดํ âm ฤด้วยจิตที่หมดจดมีความดํ âm ฤไม่ขุนมัวเพราะฉะนั้นเนคขมมะจึงเป็นอาเทศนาปฏิหารเห็นไหมว่าถ้าเราสามารถดรํ âm ฤออกจาก การไม่ขุนมัวของจิตใจคือจิตตอนนั้นเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่ไม่โสกโปกใช่ไหมเป็นจิตที่ไม่ขุนมัวเป็นจิตที่ไม่มีราคะคือราคาดํากิสนาเป็นจิตที่ลามกเนี่ยนะเป็นจิตที่มีความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินนั่นเป็นราคะดํากิสนาเป็นจิตที่ไม่ดีทั้งหลายถ้าใครดําริมหาเนคขมะจะออกจากราคะดํากิสนาได้ก็จะเข้าถึงจิตที่สะอาดแล้วก็หมดจดเป็นต้นได้ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาเทสนาปฏิหารเนคขมะนั้นอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้พึงเจริญอย่างนี้พึงทําให้มากอย่างนี้บุคคลนั้นตั้งสติที่เป็นธรรมตามสมควรแก่เนคขมะนั้นไว้ให้มั่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนคขมะนั้นจึงเป็นอนุสาสนีลองตั้งมนสิยการไว้ให้ดีอยตั้งเพื่อจะเนคขมะและสมาทานเนคขมะให้เกิดขึ้นในกระแสของความคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลักษณะอย่างนั้นจะกลายเป็น อนุสาสนีปฏิหารเนี่ยใช่ไหมคำสอนอัศจรรย์มากเราเข้าถึงคําสอนแล้วคําสอนนี้สามารถทําให้เราออกจากความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินใช่ไหมความรักความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ในสภาพธรรมารมได้เลยลักษณะนี้เป็นปฏิหารแล้วใชถ้าปฏิหารลักษณะนี้พอจะคิดออกไหม ว่าทําให้เกิดขึ้นได้ว่าเราสามารถออกจากบาปออกจากอากุศลธรรมอันลามกเป็นต้นได้อภยาบาศก็คือความไม่พยาบาทก็คือเมตา้าย่อมสาเร็จเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอิทธิถ้าทําอภยบาศคือเมตตาให้เกิดขึ้นในใจได้ <c oughs> ก็แปลว่าประสบความสําเร็จเป็นอิทธิแล้วอภยาบาศย่อมกําจัดอะไรกําจัดความพยาบาทกําจัดความขัดเคืองกําจัดความหูดหงิดฟุ้งซ่านได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปฏิหารชนเหล่าได้ประกอบด้วยอภยาบาศคือเมตตา ชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจดมีความดําริไม่ขุนมัวนะืดําริไปในความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนดําริไปในใจที่ผ่องใสอภพยาบาทจึงเป็นอาเทศนาปฏิหารแลดักความคิดเราได้แล้วอภพยาบาทนั้นอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้เจริญอย่างนี้พึงทำให้มากก็หมายความว่าบุคคล น, นั้นตั้งสตินะที่เป็นไปในธรรมตามสมควรแก่เมตตาให้มั่นคง ทำเมตตายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอๆ เ, เกิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นอภยาบาตรจึงเป็นอนุสาสนีไปดิคัะเป็นอัศจรรย์แล้วเราออกจากการมฉันทะได้ออกจากพยาบาทได้เข้าถึงความมหัศจรรย์ของใจใช่ไหมเครียดฉลาดในจิตของตนเองแล้วไม่ลุ่มหลงไม่กําหนัดไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เครียดแล้วโรคกสัญญาย่อมสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิ อารมกั ส, สัญญาย่อมสำเร็จเพราะกำจัดอะไรกำจัดถีนมิท่าไงถามว่าในตอนนี้เรายังไม่สามารถกำจัดถีนมิทธะได้ยังไม่ได้ประสบอิทธิยังไม่ประสบอิทธิทีนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นปฏิหารได้ถ้ากำจัดได้กำจัดจิตที่หดขูมได้ไหมกำจัดจิตที่หดหูมจิตที่ท้อถอยจิตที่ซึมเซาเหงาหงอยถ้ากำจัดไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีอาเทศนา ไม่มีเออาเทสนาอิทิทีนี้ในกรณีที่บอกว่าชนเหล่าใดประกอบด้วยอารกสัญญากำหนดแสงสว่างได้นี่นะชนเหล่านั้นท่านบมดเป็นผู้มีจิตที่หมดจดมีความดำริที่ไม่ขุนมูไม่เศร้าหมองและเพราะฉะนั้นอารกสัญญาก็เป็นอาเทสนาปฏิหารอารคสัญญาการกำหนดไว้ในใจให้เกิดความสว่างสวยนั้นนะอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้จเจริญอย่างนี้พึงทาให้มาก ก็หมายความว่าใส่ใจให้มากอย่าให้ถีนะมิทะามันเกิดอย่าให้ทีนมิท่ามันเกิดถ้าถีนะมิทะามันเกิดเนะี่ยแปลว่าจิตมันเศ้าหมองแล้วยโสทูใช่ไหมมาตรงนี้ไม่ตื่นเต้นเงี้ยไม่เบิกบานไม่ผ่องใสทาใจเศร้าหมองง้อยอย่างเงี้ยลักษณะนี้เขาเรียกอรมสัญญาไม่ปรากฏไม่มีทีแล้วก็พึงตั้งสตินะ ตั้งสติก็คื อ, ค อ, คอตามระลึกได้ย้อนระลึกได้นี่แหละจำได้คิดได้นี่แหละในธรรมสมควรแก่อโลกสัญญาคำว่าสมควรแก่อโลกสัญญาว่าตอนเนี้กําหนดหมายทําให้ความล่าเลงความผ่องใสความอาถรรพ์ในใจเกิดได้หรือยังถ้าทําไม่ได้เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินกระแสจิตเข้าสู่อโลกสัญญาได้ กำหนดดูทีได้ไหมเนี่ยกําหนดตอนนี้นะที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดให้เพลินๆเนะ้พูดให้ลองกําหนดดูทีถ้ากําหนดได้ให้เกิดความสว่างให้เกิดความผ่องใสได้ให้ความความอาจหานว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่พระศ า, าสดาสแสดงยี่ยมมากาปาดิหันอย่างนี้ชัดเลยโอ้ยเป็นบุญญร า, าบของเราแล้วเราออกจากจิตหดหูจิตทอดลอยได้แล้ว ต่อไปเราจะเดินสติอย่างนี้เราจะตั้งสติอย่างนี้เราจะกระทําให้มากอย่างนี้เราจะออกจากาถีนมิทะด้วยอะโลกสัญญาเราจะไม่เป็นทาสของถีนมิทะเราจะไม่เป็นคนที่เป็นนั่งรับใช้ถีนมิทะมันจะลาให้เราหดถูยังไงก็โหดหูถ้าไม่ท้อถอยอยังไงไม่ตื่นเต้นไม่อาจหารเลยอ่ะในลักษณะนี้ก็เป็นทาสของกิเลสทั้งชาติเลยเพราะอย่างนี้นี่แหละเราจึงเป็นคนว่ายาก เราจึงเป็นคนสอนยากพระศาสดาจึงไม่สอนเราในอนดีตที่ผ่านมาวันนี้เราจะมารับพระธรรมจากพระศาสดาไม่ใช่หรือเราจะกําจัดความดือ้อเราจะกําจัดความว่ายากเราจะกําจัดความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเข้าใจไหมเนี่ยถ้าตั้งหลักอย่างนี้ได้นึแกแปลว่าชัดแกากมีสติก็จะทําเพราะฉะนั้นนะ่ยบุคคลตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่ อารมคสัญญาคือการกำหนดความสว่างให้มั่นให้มั่นแปลว่าให้เกิดเสมอเสมอเกิดบ่อยๆเกิดไม่ใช่ไม่ไม่ให้ความหดหู่มาตัดรอนอารมคสัญญาจึงเป็นอนุสาสนีปฏิหารอาวิเคปะเอาวความฟุ้งซ่านเนี่ยอาวิเคปะนี่อวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิอวิเคปะกำจัดความกำจัดอุทะจา่าได้รู้จกอุทะจา่าไหม อุทจจัก็คือความฟุ้งซ่านในรูปในเสียงในกลิน่นในรสเนี่ยมานั่งอย่างนี้ก็ประวัติพันพึงว่าคิดเรื่องนน้นคิดเรื่องนี้ฟุง้งเ่ยมี2กลุ่มไงอยู่เฉยๆก็หลับคิดก็ฟุ้งเนี่ยที่ฟุ้งเพราะไม่มีอวิเคระไม่สามารถกําจัดอุทจจัคือความฟุ้งซ่านลาคาญใจอุทจจักเนี่ยเขาเรียกโมมูห uh ้จิต จิตที่หลงอย่างยิ่งหลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินเป็นอติเสยะเนี่ยเป็นวิเศษะเป็นวิเศษณนะ์หมายความว่าเป็นจิตที่พิเศษพิเศษประเภทหลงนะหลงมากหลงขนาดไหนหลงจนฟังอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะเป็นไหมโยมเนี่ยพระพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่รู้ท่านพูดอะไรก็ไม่รู้มันหลงไปไ ป, ไปทั่วเขาพูดท่านพูดเรื่องสติก็ไม่รู้เรื่องสติพูดเรื่องสมาธิก็ไม่รู้ พูดเรื่องปัญญาก็ไม่รู้หลงไปวันๆอย่างนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าจิตที่หลงเกินกว่าเหตุแล้วต่จสรู้ไม่ได้แล้วแต่ถ้ามีอวิเเคปะก็ย่อมกําจัดอุทธจารได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอิปัิหารได้ชนเหล่าใดประกอบด้วยอวิเเคปะนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจดมีความดําริไม่คุณมัวเพราะฉะนั้นอวิเเคปะจึงเป็นอาเทสนาปฏิหารอวิเเคปะนี่การกําจัดความฟุง้งซ่านพึงปฏิบัติอย่างนี้เนะพึงเจริญอย่างนี้ทําให้มากอย่างนี้ด้วย บุคคลตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่ความไม่ฟุ้งซ่านนั้นไว้ให้มากเพราะฉะนั้นอวิเเคปปาจึงเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นต้นก็ไล่ไปตามลำดับเลยในชั้นของคำสอนตอนนั้นพระบรมศาสดาในรายละเอียดมาจะไม่ตามไปลึกมากนี่นะในวันนั้นพระบรมศาสดาประทับที่กรุงราชคลือเศรษฐีชาวกรุงราชคลือพร้อมด้วยบริวาร น, นะไปอาบน้ําที่แม่น้ํำคงคาในครั้งนั้นน่ะ เศรษฐีก็ได้ไม้จันหาค่าไม่ได้ก็คือมีค่ามากที่ลอยมาตามกระแสแม่น้ำคกงคาจากป่าหิมพานติดอยู่ที่ตะขครก็ให้ช่างแกะไม้จันนั้นนะ่ะกรึงมาเป็นบาดไม้จันใส่ไว้บนซารกแขวนไม้ไผ่ผูกต่อกันไว้ประมาณ6กสศอกกลางอากาศ62นี่ไม่ใช่ธรรมดาในสูงเลยแล้วกล่าวว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์ในโลกนี้จงห่ะมาถืออบาดนี้เถอ ข้าพเจ้าพร้อมบุดภรรยาจะยึดถือบุคคลนั้นว่าเป็นสารณะเอาแล้วหมายความบอกว่าถ้ามีใครห่อมาบาด ท, ที่ข้าพเจ้าแขวนเขาไวน้นี่ข้าพเจ้าจะขอถึงผู้นั้นเป็นสารณะเหมือนเราท่องกันเนี่ยอาชาปตะเคปานูเปดังเลยว่างั้นเด้อจะขอถึงบุคคลนั้นเป็นสารณะตลอดชีวิตเลยแล้วก็จะมีพบเป็นที่สุดรอดพื้นต้นไปตามดับมีชีวิตเป็นที่สุดรอบก็ไล่ไปตามดับเนี่ยนะวันในวันนั้นครูทั้ง6กปุรณกัสปามคคารีโคสาละอชิตาเกศกัมพล กุท่ากัจจายานะสัญชัยเวรพระบุตรนิคนนาตบุตรมาแล้วมาเบสเสร็จก็กล่าวว่าบาตนี้สมควรแก่พวกเรานะท่านจงให้แกพวกเราเถิดเศรษฐีก็กล่าวว่าพวกท่านก็เหาะไปเอาเองี่เพระเราตั้งกติกาวไว้ว่าถ้าใครอยากได้บาต ท, ที่แขวนอยู่บนอากาศนี่โดยไม้แขวนไม่ไผ่แขวนไว้เนะี่ใครอยากได้เหาะขึ้นไปเอากูทั้งหก็แหมยมาขยันขยอนนะต้องการอยาเอาบาตซึ้งมีค่ามากในวันที่หก นิครนนาตบุตรก็ได้ส่งพวกอันเทวสิกไปขอบาตรแต่ก็ไม่ได้จึงไปด้วยตนเอง <c oughs> ให้อนัสัญญาแก่พวกอันเทวสิกยว่าบอกถ้าเรายกเท้าทำท่าจะห่อให้เธอฉุดลราไว้อันนี้แปลว่าไม่มีฤทธิ์จริงไม่แน่จริงทำได้จะหอ่อลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์อย่าห่อเลยท่านอาจารย์มาแสดงคุณของพระอรหันต์ที่ปกปิดแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาตรนี้ไม่สมควรเลยบาตรไม่มีค่า ท่านปกปิดมานานแล้วอย่ามาเปิดเผยวันนี้เลยอย่ามาเหาะวันนี้เลยเนื้อนี่คือคนคนที่ไม่มีคุณนะสมบัติใดๆก็มักจะอวดมาเช่นคนไม่มีความสามารถคนไม่รู้คําสอนเนะนะื้อคนไม่ได้รู้คําสอนจริงก็อยากจะประกาศเนี้อนะคนไม่มีคุณความดีจริงเนยะในในใจก็อยากจะบอกอยากจะกล่าวหวังแกลาบสกาละเสียงสารเสรื่อเยินยอมีเยอะในโลกใบนี้ก็เต็มไปในลักษณะอย่างนี้ ฉะนั้นเราที่เป็นบุรุษชนทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่มีคุณธรรมจริงแล้วบางทีไม่มีศีลจริงก็ประกาศว่ามีศีลไม่มีไม่มีศีลห้าก็บอกว่ามีศีลห้าไม่มีศีล8ดก็บอกว่ามีศีลแปดรักษาศีลไม่ได้ยังไปบอกว่ารักษาศีลได้ไม่เคยสมาทานศีลว่าเราก็ไม่เคยทุศีลเลยเงี้ยก็เพราะไม่รู้จักศีลไม่มีคุณธรรมอย่างแท้จริง เพราะไม่รู้จักคุณธรรมของภาษาสดาไม่รู้จักอริยสัพย์ของภาษาสดาไม่มีศรัทธาอย่างแท้จริงไม่สามารถจะเก็บอริยสัพป์ของภาษาสดาที่ภาษาสดาฝังไว้ให้กับสาวกของท่านหรือขบุตรของท่านได้เพราะไม่มีศรัทธาที่มั่นคงฉะนั้นไม่ต่างอะไรกับบอกนิครนนาตบุตรเนี่ยที่ไม่มีคุณธรรมอะไรอย่างแท้จริงก็อวดก็อ้างเนี่ยก็แสดงออกมาว่าตนเองรู้อย่างนั้นบ้างตนเอง รู้อย่างนี้บางตนเองมีตนเองไม่ฆ่าสัตว์ตนเองไม่ลักทรัพย์ตนเองไม่ประพฤติผิดในกาลไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อตนเองไม่โลภไม่โกรธตนเองไม่หลงตนเองเป็นคนมีกายสุจริตว่าจีสุจริตมโนสุจริตชอบบวด่างอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆไปดูพฤติกรรมไม่ได้เดินตามคําสอนของพระศาสดาอะไรเลยอะเพียงแต่ว่าไปตามหมู่ตามคณะบ้างเป็นไปตาม แต่การที่จะเข้าใจคำสอนของพระศ า, าสดาแล้วปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตนเองจริงๆไม่ให้ค่อยได้มีจริงๆเนี่ยะคนก็จะอวดอ้างกันเยอะไม่ใช่แต่ศ า, าสดาและครูทั้งหกเท่านั้นน่มหาเศรษฐีนั้นน่แล้วก็บอกว่าสมควรแก่เราเท่านั้นท่านผู้ไม่ผู้ไม่ประมาทอย่าได้ชอบใจในการหอขึ้นไปบรรนากาศเลยเพราะเหตุแห่งบาทนี้เลยจงให้บาทนั้นแก่เราฝ่ายเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านผู้จเจริญ ท่านจงเหาะไปถือเอาเองเนะแล้วก็ไม่ได้มอบบาทนั้นให้พวกเดรถีก็พยายามเนอะอยู่อย่างนั้นหวันก็ยังไม่ได้บาทครั้งถึงวันที่7เนะพระมหาโมคคลานะพระปินโทละพาระทวาชะยืนห่มจีวรบนลานหินแห่งหนึ่งเพื่อจะไปบินทบาตในกรุงราชฤกษ์ขนาดนั้นพวกนักเลงก็พากันกล่าวว่า น, นี่พวกเราครูทั้งหกนะ ปุรณะกัสปามคคิริโคสาราชิตาเกตกำพลจนถึงสัญชัยเวรพรบุตรเป็นต้นเนี่ยเที่ยวกล่าวพวกเราเป็นพระรหันต์ตัดรู้เองได้แต่เมื่อเศรษฐีชากราชคือให้คนยกบาดแขวนด้วยบรรยากาศกล่าวว่าถ้าเป็นผ้าหันจริงท่านห่อไปเอาเนะบอกว่าให้ห่อไปเอาวันนี้พวกเรารู้แล้วว่าผ้ารหันทั้งหลายไม่มีในโลกเอาละสิพวกนักเลงโซลาเนี่ยปากพ่อยเยอะมะกล่าวเลยผ้ารหันไม่มีอยู่จริงหรอก เพราะว่าขนาดเศรษฐีประกาศขนาดนะั้นยังไม่มีใครห่อแวลบาัเลยว่างี้ยเนื้ท่านมหาโมคารณาณะพอได้ฟังแล้วก็กล่าวกับท่านพระปินโทลภ า, าละทวาชาว่าผู้มีอายุเอาเลยใช่ไหมบอกเอ้อเนี่ยเข้ามาหมิ่นภาษาสดาเราหรือเปล่าเนี่ยหมิ่นสาวกของภาษาสดาเราหรือเปล่าใช่ไหมถ้าตอนเนี้นะถ้าพระที่มานั่งกันอยู่นี้พวกเราจะพูดคํานี้เนะยยังไม่มีใครสามารถที่จะเดินเครื่องได้ขนาดนั้นเลยอยู่ แต่แนอนาคตไม่แน่ในที่นั่งนกันอยู่นี่มั้งเนี่ยถ้าใครมีใครได้ยินพูดคํานี้ขึ้นมานี่ท่านคงชัดเจนแต่ท่านไม่ต้องการอวดนั่งพระโมคคัลลานะเป็นพระรหันถ้าเป็นโทระพาระทวจ า, าก็เป็นพระราหันแต่ท่านเห็นว่าเอ๊ะเนี่ยมากล่าวลบลบห ล, บลูคุณของภาษาสดาอิทธิปฏิหารที่ตนเองได้มาคืออริยทรัพย์คือธรรมบุรดกที่ภาษาสดามอบให้ถ้ามีคนมากล่าวว่าท่านไม่มีมรดกข้อนี้เลย ถ้ท่านก็นั่งทิศเอเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเหตุทําให้ท่านเหล่านั้นนะ่ยตําหนิคุณของพระพุทธเจ้าตําหนิคุณของพระธรรมตําหนิคุณของพระริยสงฆ์ท่านก็บอกผู้มีอายุท่านได้ยินคําพูดของนักเลงเหล่านี้ไหมนักเลงเหล่านี้พูดเหมือนกระทบพระศาสนาเอาเลยเห็นไหมกระทบศีขาสามไม่เห็นคุณของศีขาสามไม่คุณไม่เห็นคุณของอิทธิปฏิหาราเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหาร คนที่ขัดเกาวกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมนี่นะคนที่เดินศีลสมาธิปัญญาประชุมในโลกุตตระได้ยังไถ้าเดินศีลสมาธิปัญญาประชุมในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุทะฌานได้ประชุมศีลสมาธิปัญญาในอรูปฌานได้ประชุมศีลสมาธิปัญญาสามารถแสดงอิทธิฤทธิได้ประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสสนาญาณได้ทุกระดับจนถึงประชุมศีลสมาธิปัญญาในมรรคจิตผลจิตได้ แล้วก็ประชุมศีลสมาธิปัญญาหน่วงเอาพรนิพพานเบนอารมณ์ได้ฤทธ์แค่นี้เป็นเรื่องง่ายมาเป็นเรื่องง่ายมากเพราะท่านคิดเนี้ยนี่กระทบอะไรนี่กระทบภาษาศาสนาก็กระทบสิกขาสามนั่นเองนี่กระทบศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นธรรมามรดกของกายเป็นมรดกของภาษาสดาเอานี่แปลงเอาไปดูถูกมรดกของพ่อนี่ไม่ได้ต้องสามต้องแสดงให้ท่านเหล่านี้ได้เห็นว่า พระาศาสดามีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์มีคุณอปมาโนพุทโธอัปมาโนธรร ม, มอัปมาโนสังโฆเหคุณของพระาศาสดามีจริงๆท่านก็บอกเลยนักเลงเหล่านี้พูดกระทบาศาสนาท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจงห่อไปนำบาทนั้นเถิดฝ่ายพระปินโทระพาระทวชาชได้กล่าวว่าท่านพระโมคคัลลานะท่านเป็นผู้เลือดกว่าสาวกทั้งหลาย นิมนต์พระเถร่แสดงฤทธ์เองว่าในบรรดาสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านได้รับเอเตทะคะในการแสดงฤทธิ์ท่านจงถือเอาเถิดเมื่อท่านไม่ถือเอาผมก็จะถือเอาเนี่งเนให้โอกาสกันนี้ก็เมื่อพระโมคคานากรผู้มีอายุท่านจงถือเอาเถิดคือผมถวายท่านน่ยบาทใบ น, นี้ผมถวายท่านแท้จริงท่านยาวก็ได้ใช่ไหมแต่ท่านถวายเห็นไหมกล่าวถวายบาทเลย แท้จริงเป็นท่านสามารถเอาได้ก็เหมือนอย่างงี้นะได้วัตถุมา เ, าเกี่ยวเรื่องจีวร เ, เป็นของทุกคนเนี่ยเป็นของทุกคนนั่นเนี่ยท่านทั้งหลายมองและบูชาเอย่าไปจํากัดว่าโอ้ยท่านมหาล้านถือมาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมท่านถือเอาก็เป็นบุญของท่านไปแต่เราก็ต้องถือเอาสิใช้ใจถือได้ไหมใช้ใจถือเอาผูกเอาว่าเราจะถวายจีวรเป็นทานบูชาพระศาสดาสถานที่ พระศาสดาสแสดงปฏิหารอย่างหลากหลายสัตว์ตั้งหลายได้บรรลุ200ล้านและเราจะบูชาสัตว์เหล่านั้นที่บรรลุด้วยเนะีไม่ใช่บูชาเฉพาะพระเจ้าพระธรรมนะแม้พระสงฆ์ที่ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุเราก็จะบูชาท่านเหล่านั้นด้วยและไม่ใช่แค่200ล้านนะหาประมาณไม่ได้เราจะขอบูชาคุณของปริยส่์ทั้งหมดโดยน คุณของพระเจ้าในอดีต <lawsuit royable. S 2> ด้วยคุณของพระเจ้าป <mer> <designing>. ัจจ <rigid> <Dead> <t ose handle opened> ุบันด้วยคุณของพระศาสดาที่จะมาตัดสู้ในอนาคตที่จะมาทํายมกับปฏิหารตรงนี้ด้วยพระธรรมที่ไหลออกมาจากพระโอษฐ์ออกจากออกจากหาไทยและที่สัพพัญยุตยานคิดได้ทั้งหมดพระธรรมเหล่านั้นทั้งหมดข้าพเจ้าจักบูชาทั้งสิ้นด้วยสงสาวกของพระศาสดาที่มาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะมาในอนาคตเราจกบูชาท่านเหล่านั้นทั้งหมดลองคิดดูที่ กระแสใจที่เราไปวางไว้กับพระรัตน์ไตรพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอย่างมั่นคงอย่างเงี้ยน่าจะอาจหันตื่นเต้นัหยความหนาวก็หายไปได้เนี่ยไม่ต้องมานั่งหนาวเลยก็ตั้งใจในการที่จะบูชายังแท้จริงแล้วแต่เนี้ยทีนี้เมื่อท่านพระปินโทรภาภัลทวชะใช้กำลังอภินญานี่นะอภินยานี่นะก็บอกว่าอภินญายะลานหินประมาณสามาวุ หคาวุธเนี่ยประมาณสี่ร้อยเส้นนึงไม่แน่ใจเนะ่ยหนึ่งคาวุฒิหนึ่งคาวุธเนี่ยประมาณสี่กิโลเมตรมั้งน่าจะอย่างนั้นนะถ้าสามคาวุธก็ประมาณเนี่สี่สาสิบสองกิโลนั่นแหละท่านพระปิณฑรภารทตวราชเนี่ยดึงแผ่นหินเนี่ยประมาณสรประมาณสิบสองกิโลความใหญ่นี่นะเหาะขึ้นไปบนอากาศเหมือนปุยนุ่นเนี่ยโยม ก็แล้วก็ให้หมุนเหนือกรุงราชคลึ7ครั้งลานหินนะปรากฏเหมือนฝาปิดนครนะประมาณ3คาวุธนั้น